อยู่ตรงนั้นต่างหานี่งัราถึงสนใจมากก็ทำจุดนี้เนี่ะถึงนั้นเราไม่ได้สนใจมากนั่งพระก็ทราบก็มาบวชก็มาจากคน้นค้นก็มีบ้านมีเรือนพ้าก็มีที่พาะที่ที่อาศัยประจำต้องมีแต่ให้เกินตัวอย่าลืมตัว ทีอยู่ก็ให้ที่อยู่แบบพระพระอะไรพระขาวกผู้จ้าวลี่ท่านทํายังไงท่าน อ, อยู่เนี่ยมาอยู่แบบหรูหรือหรันหร่าแบบเจ้าชู้คุณนางได้หรือมันแบบพระยังไงอแบบโก้แบบตื่นแบบพระที่ไหนครัครั้งฉลองฉาดนี้ไม่มีแบบแบบนั้ น, นคำพีเดีายวกันเรียมนมก็รู้ด้วยกันทุกคนที่ แม่จ่าจะทำตารที่แม่ทากามเท่ า, า, านั้นแต่เจ้าจะแกะยูเธอขอให้สะดวกใ น, นทางาคอนเสิร์ตเพี้ยนซึ่งเป็นจุดสาคัญเป็นความมุ่งหมายของศาสดาและของธรรมเอาตรมนั้นเออแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะมาปรากฏที่ลูนาเท่าเราทั้งหลายก็กล่าวว่าบูชาแล้วได้ยึดท่านเึ็ ล้โพล้มใจในโอวาสอยู่ทุกวันนี้ท่านมีรายรู้หลาใหม่ท่านรู้หลาการจ่ายของท่า น, น, นต่างหารู้หลาเรื่องข้อปฏิบัติของท่านต่างหาถ้าไม่รู้หลาด้วยวัตถุแบบโลกของเขาจะทําแข่งโลกเขาทำไหมจกิงนี้โลกเขาทากันอยู่แล้วเนี่ยววเราวบ่นพระความรู้สึกของพระเขาต้องต่างกันกับคารวะทิฏยายการกระทําทุกสิ่งกอย่างของพระก็ต้องต่างกับคารวะอันที่เรียกว่าพระ งาน้ภาต่างๆ ง, งานคราฟต์ี่เขาพายอย่างี้อยู่ท่อย่างท่านจันมั่งมื้มหลายเลยท่านรู้หลายอยู่ภายในค่นับความเกินใจคนเนี่ยสงคัญแต่ไม่เกินธรรมไม่ขนาดเดียวกัน ให้เกรงทด้วยทำเป็นหลักใหญ่เป็นหลักปกครองโลกคือเห็นจากรายๆาหนึ่งคนในคนหนึ่งมันก็เข้ามาทําลายทำที่เป็นหลักใหญ่ให้เสียไปความร่ำยินอะไรจะร่ำย็นนี้กว่าใจกระทำที่เป็นเหมือเดือคมันเหมืองแลบ่่ย็นตรงนี้เลื่อย แ, แ, แ, แ, แ, แสลบเลื่อยแฉเปลสด ว่าแล้วก็ว่าก็เถอะ้าลงหนึ่งไม่มีสองแล้วถ้ามีสองมีคู่แข่งก่อนฮะฮะปมทำอะไรฮะหายใจก็อ อ, ออกทำไมลูกพี่มั่นหืมรูร้รไม่สบายเหรอ เราก็มากด้วยฉะนั้นเห็นมากเอามาเรื่อยๆมาอุตส่าห์เนยาข้อวัดปฏิบัติให้ดูกันให้มีความเส้นแข็งมาปฏิบัติแต่ตัวเองทุกคนทุกคนทุกอยางข้อวัดแต่นี้เป็นข้อวัดสำหรับท่าเราทุกองค์ทุกองค์ที่จะแข็งแกร่งก็สู่ตัวของเราเองแต่เมื่อมันเกี่ยวกับคนรวมมันก็ได้ทารวมกันมีข้อบังคับตัวเองให้ดูหัวใจตัวเองยาดูที่ื่น มากกว่าขอใจตัวเองนะความเคลื่อนไหวที่คิดกันไปอย่างเงี้ยอะไรเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนกับใครก็ก็ตามให้ดูความคิดของทันทีสันทีนั่นแหละทู่ผู้ปัจจุบัติตัวนี้ตัวจะแสดงออกมันที่ญญาณอยู่ข้งในข้างในนั่นหรือว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นตัวตัวดีเข้าไปแล้วนนักนเมื่อวิญญาณเป็นอย่างนะนั้ น, ด, น, นดูให้ดีตรงนี้นก็ตามให้ตีตรงนี้ก่อนตัวนี้เป็นต้นเหตให้ตีตรงนี้ก่อน อะไรไก็ตามอะไรได้อะไรเสียก็ตามขอให้ไม่ น, นี่เสียนี่นะักปฏิบัติให้ตรงนี้ใครจะดีไม่ดีขอให้อันนี้ดีอย่าให้อันนี้เสียนะถ้า น, นี่เสียไปแล้วมันมีคดีงั้นแหละอืมพอพูดช่วนตัของรับไปหมดแล้วเนี่ยมาอยู่วนอยู่ที่นี่นะอ๋อเรื่องที่เหลืยมันเล่นเมื่อไหร่วะมันแทกมันซ้อนอยู่ทุกระยะ ปฏิบัติไปเรียนปปฏิบัติไปจะไม่เห็นคนวัยมันมีมากน้อยเพียงไรมันกองอยู่ในหัวใจทั้งหมดเนี่ยฟาดมันทางไปหมดแล้วมันจะแสงได้ที่ไหนมันรู้หมดนะว่างเลยมีทำเท่านั้นเหนือมันได้นท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกิเลสได้หรอกถึงต้องอบรมทเข้าสู่ใจโดยลําดับธรรดาเพื่อจะเป็นพลังมากขับที่ลสออกได้เห็นเรื่องของมัน เมื่อเร็วๆนี้กับฝันประแห น, น้แบบไหน่ะแบบประดับกระปุ่นกระปุน่นนี่พระอรหันต์มาเต็มแต่ไม่ใช่วัดอย่างนี้นะเต็มสถานที่งหนึ่งที่เราอยู่พระอรหันต์ท่านมาท่ามหาพรหมข้องมา มามากมายแต่ของพวกเทพมาถ้ามหาพรมมาพรอาหารเข้ามามีแต่พระหารล้วนๆมาฟันอะไรแปลกปรหาหลาดแล้วเราสำรับมาเรานะถ้ามหาพรมเอาอาหารมาให้เราสําหรับมหาพรมมันไม่เหมือนสําหรับเราพูดไม่ถูกพูดได้แต่ว่าสํำรับท่านไหะมันไม่ใช่สําหรับอย่างนี้มันสํำรับมาหาพรหม อาหารทริพยรวะมาแล้วจะให้เราฉันเหมือนกันแล้วฉันแล้วจะนิมนต์ไปปวสัตว์่นี่ปรดสัตว์ยังไงทำพิจารณาเนี่พาจาตั้งหลงายท่านก็มาแต่ท่านก็นไม่พูดอะไรละท่านก็นมายเยอมาก็มาด้วยกันเนี่มาเป็นแบบเดียวกันว่านิมนต์จะพาไปปวดสัตว์ว่าไง มแปรโลยีหมูว่านจะว่างนงปวดสัตว์ไม่แค่จะไปเถอะไม่ใช่อย่างนั้นเด้อไปเถอะอ่างนั้นเลยจะ เ, เอาเอาอาหารมาให้เราฉันนี่มันแปลกถ้ามาผมฉันจะได้จะ น, นิมนต์ไปปวดสัตว์นี่ อ, อาหารทั้งหลายก็มีความหมายเดียวกันนิมนต์ไปปวดสัตว์ มาวางๆเลยแบบประหลาดมีมากได้สักเจ็ดวันมาแล้วมั้งเราก็ยังไม่อยากไปแต่เราไม่ตอบนะฉันอาหารมหาพรมถ้ามหาพรมเราก็ไม่ฉันถ้าฉันอาหารมหาพรมแล้วเดี๋ยวมหาพรหมพาไปปวดสัตว์สัตว์ไหนก็ไม่รู้นะ เราก็ไม่ฉันไม่ตากดว่าเราฉันนะแล้วรับคําเราก็ไม่รับเฉยๆธรรมดาไม่ตอบรับอะไรเล ย, ยนี่แต่ในความรู้สึกนั้นบอกแป้ว่าไม่ ไ, มไปแต่ไม่ตอบเป็นความรู้สึกที่ถือธรรมดาธรรมดาตันนี้ไม่ได้เอ็นไปตามคําความต้องการของท่านหรอกนั้นมีแปลกๆอยู่ เลยนี่จะไปไปปวดสัตว์ตัวสัตว์ที่ไหนรพระอรหันต์ท่านไม่ได้สัตว์ตะแปลผู้ค้องท่านจะไปไปวดที่ไหนอยู่ในมนุษย์ยโลกมีแ ต, ต, ต, ปปสต่สัตว์ท่านทำไมว่าไปปวดสัตว์ที่บ้านไหนเมืองไหนในเมืองในเมืองใครเราก็ดีเมืองไหนก็ดีในมนุษย์โลกถ้ามีเห็นเราพาไปท่านแ ป, ป, ป, ป, ปลวปปดสัตว์ทั้งสัตว์แดนไหนก็มไม่รู้นี่ บางทีมันก็มีเหมือนกันนะคิดนีนเป็นเรื่องราวเรื่องคันตั้แบกมันมากมันนานขี้เกียจตั้แบกมันปล่อยพวนแล้วจะหายความเกี่ยวข้องความรับผิดชอบแต่ว่าหายห่วงก็ไม่เห็นห่วงมันอะไรอืมถ้าจะว่าหายห่วงอนาโยยุ่งถอนอะไรไม่ทราบอะไรมันอะไรก็รู้มันอยู่แล้วเป็นสภาพอันหนึ่งอยู่แล้วชัดเจนในใจ แล้วประหงมันอะไรแอะนาลโยถอนอะไรถอนอะไรถอนอะไรมันไม mm hmm. ่พูดได้เดียความรับผิดชอบเป็นสัญญาณทราบปัญญาอันหนึ่งเป็นความรับผิดชอบอ น, นั่นเองพาลาฮาเวเปันจกักคันธาอันทั้งห้าเป็นภาลาอันนึ่งคือหนักทั้งการดิ้ถือหนักทั้งความรับผิดชอบก็มี หนักไม่ยึดถือแต่หนักความรับผิดชอบมันก็มีพาขับพาถ่ายพากินพานอนพาไปยุ่งยาบททั้งสีมีแต่ปฏิบัติต่อขันทั้งนั้นไม่ได้ต่ออะไรเี้นี่ยนี่คือว่าพาราเเวียนหนึ่งปล่อยไปเยอะลงหมดเรื่องไปเกิดเน้ยก็ไปแล้วไม่ว่า <laughs> ไปนก็ไป ก็ยังนะมันแสนสบายหว่างมนะันมันจะไปขาเกาะกําเนิดเกิดไปไหนอยู่แล้วแต่มันนะมอบไว้กับความกินอันเอาละนี่เรื่องน้นนะพูดไปนานก็จะเหนื่อยเนะี่ยมากไป